ศสนาันที่75ลําดับที่สโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธ า, านีสแสดงคําในวันที่27กันยายน2558มีชื่อเรื่องว่าเคยเกิดร่วมชา วันนี้เป็นวันที่27กันยายนพุทธศั ก, ศกราชสองพันห้าราสิบแปวันนี้หลวงพ่อเคยประกาศมาเป็นลำรับลำรับว่าวันนี้เป็นวันทําบุญอุทิศสวนกุศลอย่างที่พวกเราได้ท่านทั้งหลายได้กล่าวคําถวายอุทิศสวนกุศลก่อนหน้านี้แล้วก็ ต่อไปเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้คณะทาญาติโยมลูกหลานน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ปู่ย่า ต, ตายายวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายผู้ที่มีพระคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถ้าหากว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้น สิงสถิตยอยู่ณนทะิณใดที่ใดทิณใ ด, ใดตกทุกข์ใดยากขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่คณะพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ถ้าว่ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปเป็นที่พอใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้พวกปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวที่เป็นวัน ข้าวประดับดินหรือวันทำบุญข้าวฉลากกระพัดวันนี้เป็นวันทําบุญฉลากกระพัดแล้ว่าเป็นวันศาสตร์ทางอีสานเหนือของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราได้พร้อมกัน อ, องศสาคนาญาตดญาติาตพิดสหายลูกหลานทุกคนได้มารวมกันทําบุญตักบาทจากนั้นก็ได้มาไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคําถวายทานต่อไปจะอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็โคศกก็ได้พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่ากรถินปีนี้กระถินวัดปานาคำน้อยของพวกเราเป็นวันที่แปดพธศจิกายนอาทิตย์ที่แปดพฤจิกายนพุทธศักราช2558ถ้ายห้่าผู้ใด ในวันนั้นก็อย่างที่โคศกได้พูดได้กล่าวาผู้ที่จะแสดงความจำนงที่จะม า, าร่วมสร้างตั้งโรงทานก็ติดต่ออย่างที่ผู้หมวดติดได้พูดได้กล่าวนะอันนี้ก็คือเป็นการบอกกล่าวกันไว้ไวแต่นน่นนนอไม่ใช่ว่าผู้ที่จะตั้งติดตั้งใจที่จะมาทำ สร้างบุญสร้างกุศลก็คิดไว้แต่เนินเน่นๆเหมือนกันไม่ใช่่าคิดแบบปุปปับนะอาจจะไม่ทันเพราะนั้นการกล่าวย้ำเตือนกันเพราะนั้นขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าพวกเราเข้าพรรษามาได้กับสองเดือนพอดีสองเดือนอีกเดือนเดียวจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นวันออกพรรษาของพวกเรา วันนั้นในขณะที่พวกเรามาถึงจุดนี้เนะี่ยสองเดือนเนะี่ยที่พวกเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ก่อนเข้าพรรษาขาดตกบกห้องอะไรบ้างบางคนก็อาจจะถ้าไปเจ้าจะงดปุริยดงดได้หรือเปล่าฮะงดเล่างดได้หรือเปล่าถ้ามันงดไม่ได้กนะ็ควรจะตั้งจิตอธิษฐานใหม่อีกออกพรรษาเราก็ต้องรักษาไปอีกนะคือปะชน ให้มันเต็มบริบูรณ์อย่าให้โกหกตัวเองอย่างที่หลวงพ่อได้เตือนเอาไว้นะเพราะว่าการโกหกตัวเองไม่ดีนะไม่มีสัจจะคนที่ไร้สัจจะคนไม่มีสัจจะกับตนเองนะเป็นผู้หลาะแหลงไปหมดหาความสัต์ความจริงกับตนเองไม่ได้ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศจตหาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญคุณโทษมีนรกสวรรค์มีตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดนี่แหละว่าตายแล้วเกิดคำนี้แหละให้พวกเราศึกษาทีนี่เพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายที่ท่านอธิบายบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นในพวกเราลูกหลานคณะสั ท, ทา ย, ยายาจุม่มอยู่ข้างนอกไม่ได้ศึกษา แต่หลวงพ่อนี่ได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติตนอีกด้วยว่าเป็นจริงจริงอย่างทาคำสอนของพุทธเพราะไรจึงว่าจริงพอแลพวกเราอยากจะรู้พวกเราอาจจะลูกหลานทั้งหลายอาจจะมีไม่มีเวลาไม่มีเวลานั่งภาวนาแต่สําหรับพระสงฆ์ที่มาอยู่ข้างในอย่างหลวงพ่อเนี่ยแะก็ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ได้ทามาค้าขายอะไรไม่ได้ทามาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่น ก็อาศัยพี่น้องประชาชนบิณฑบาตฉันพอฉันแล้มีหน้าที่อะไรก็เหมือนมานั่งภาวน า, ามาปฏิบัติตามำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอย่างไรให้ศึกษาอย่างไรหลวงพ่อก็ได้ศึกษาปฏิบัติและก็ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาก็เหมือนกันท่านเคยยืนยันเป็นคําเดียวว่าตายแล้วเกิดแน่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเวลาทําจิตใจให้สงบ นิ่งลงไปแล้วรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันเป็นรู ป, ปธรรมและนามธรรมเป็นคนละส่วนกันเห็นได้ชัดเพราะนั้นพวกเราคณะสัตย า, ญญาติโยมลูกหลานเ ท, ท่เข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบั ต, บติหรือว่าเข้ามาเพื่อเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ก็ให้พวกเรา ปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่ในพระไตรปิฎกหรือในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าตายแล้วเกิดเกิดหลายภพหลายชาติอีกต่างหากสมัยเมื่อพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยูนะ่ท่านเสด็จไปตามหัวเมืองต่างๆในละแวกนั้นไปโปรดศรัทธาญาติโยมแต่คราหนึ่งครั้งหนึ่ง พระสงฆ์เสด็จไปพร้อมกับพระพุทธเจ้าหนะ้าร้อยเนี่ยพระห้าร้อยนะเสด็จไปออกจากกรุงสวัสถีไปเมืองสาเกตนะพอไปกำลังจะเข้าเข้าบินธบัตตอนเช้าที่เมืองสาเกตนะมีพราหมณ์แก่คนหนึ่งนะพอมาเห็นพระพุทธเจ้าตัวนั้นแหละเหมาบคลานเข้ามาบอกโ อ, อ, อ้พระเจ้ามาโลก ลูกหายไปไหนนานพ่อเพิ่งมาเห็นเดี๋ยวนี้เองเ อ, อตามมุกติลูกต้องมาดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าชะลาพ่อแม่แก่เท่าชรลาแล้วลูกต้องมาดูต้องมาแลแต่บัด น, นี้ลูกหายไปไหนนานทําไมไม่เห็นเอาเถอะ อ, อพ่อมาเห็นลูกมาเห็นคนแรกเป็นคนท้วงติงขึ้นมาขอให้ลูกไปบ้าน ของพ่อเธอน ะ, ออะนิมนต์ลูกไปบ้านของพ่อพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ตรัสไม่ได้ปฏิเสธอะไรออพอพราหมณ์คนนั้นชักชวนไปนิมนต์ไปบ้านพระพุทธองค์ก็พร้อมกับพระสงฆ์พระสงฆ์พระ พ, พุทธเจ้าจะเด็ดไปที่ไหนพระสงฆ์ก็ต้องตามไปพอไปถึงบ้านของพราหมณ์พ่อพราหมณ์ก็ปูอาสนะให้พระสงฆ์ได้นัง่งพอนางพราหมณี แันภรรยาของผามก็มาเกน็นโอ้พ่อลูกเอ้ทำไมหายไปไหนนานธรรมดาพ่อแม่แกเท่าชราก็ให้หรือก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกแต่ลูกนี่หายไปไหนไม่เห็นไม่เห็นมาใกล้มาไกลพ่อเลยแม่เลยเออันนี้คือพาลมนันเอก็เรียกเหมือนกันอีกแต่ก็เรียกเรียกให้ลูกๆตัวเองลูกทั้งหลายมากราบ อ bean. พระกราบพี่ดูสิพระเจ้าพี่ดูสิทุกคนมากราบพระเจ้าพี่ ا, ลูกหลานลูกล ก, ลกทั้งหลายก็มากราบพระพุธทธเจ้าพระพุธทธองค์ก็ไม่ปฏิเสธเอกน่้นจากนั้นเขาก็ถวายพระทาฐานพระพุธทธเจ้าพอพระถวายทหารพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็จะเด็ดกลับที่พักนะพอจะเด็ดที่พักพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามะเอ้พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหม ก็รู้ทางรู้หละพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ที่กรุงกบิลพัทพระพุทธเจ้าพระบิดาก็คือพระเจ้าสุตโทธทนะนางพระมารดาคือนางิริมห า, มายาแต่พราหมณ์แก่สองคนห็นทําไมเรียกพระพุทธเจ้าว่าลูกลูกหายไปไหนทําไมไม่มาดูแลพ่อแม่แก่เท่าชะลาพระพุทธองค์ก็ไม่ปฏิเสธอืค่อยๆไปยอมรับในการที่ พราหมณ์ทั้งสองผัวเมียพูดกล่าวเราก็แปลกใจบนกันบายพวกเราก็แปลกใจทำไมเรื่องเราอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เยพระสงฆ์ทั้งหลายก็สนทนากันพระพุทธองค์เสด็จมาบอกว่าสงฆ์พวกเราทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายสนทนากันเรื่องอะไรพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพุทธองค์สงสัยและเกินว่าทำไมพราหมณ์สองตายายนี่ไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเพิ่งมาเจอกันในวัน เช้าเหมือนเมื่อเช้านี้ก็แสดงตนเหมือนเป็นเจ้ากี้ยกเจ้าการเจ้าของว่าพราะพระพุทธองค์เป็นลูกของเขาจริงๆในความรู้สึกนะแต่พวกข้าพระองค์เลยสงสัยพระพุทธองค์บอกว่าตัวก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาตินะพราหมณ์สองตายายนี่เคยเป็นพ่อของเรา ห้า้อยชาติติดต่อกันแล้วก็พราหมณาีก็เหมือนกันได้เป็นแม่ของเราห้า้อยชาติติดต่อกันแล้วก็เคยเป็นอาอีกห้ารยชาติติดต่อกันแล้วก็เคยเป็นลุงห้าร้ยชาติอันนี้ก็ทางฝ่ายผู้หญิงเคยเป็นแม่ห้0อยชาติเคยเป็นน้าห้าร้อยชาติเคยเป็นป้าอีกห้าร้อยชาติรวมแล้วสามพัน ที่เราอยู่ในในดูแลอุปถรัรมภ์ปัาถาของสองสองคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเห็นเราตถาคตถึงจะไม่ได้พบนั้นชาตินั้นก็จริงอยู่แต่ดวงวิญญาณความผูกพันทางด้านจิตใจได้เห็นแล้วมันผูกพันอย่างลึกซึ้งนะเพราะพระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นนะเะพราะวันนั้นเราเคยเกิดกับเนี่ยนะเขาเลี้ยงดูเรามา เ, เคยเป็นพ่อเป็นแม่ติดต่อกันถึงห้าร้อยชาติ เราก็เคยเป็นป้าอีกเคยเป็นอาอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นความผูกพันในในเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยของเรากับสองตายายเนี่ยผูกพันกันมานา น, นมาพิจารณาดูอย่างพวกพ่อเลยมาคิดอีกเหมือนกัน เ, นเป็นความคิดของหลวงพ่อจำพอไอ้เพราะพวกเราเกิดมาบางที เ, เห็นกันแล้วก็รักกันเมตตากันสงสารกันแต่บางคนบางท่านพอเห็นกันแล้วก็ตาเคียวใสกันทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรกับเราแต่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันก็คงจะเป็นอดีตชาติอย่างที่พระพุทธองค์ที่ท่านตรัสเอาไว้าบางคนอาจจะเป็นคู่อริศัตรูกันมาก่อนอแต่บางคนก็เคยเป็นมิตรเป็นสหายกันมาก่อนที่เป็นรักที่รักเคารพกันมาก่อน พระอองค์บกว่าพระพระุทธองค์ตรัสว่าการที่จะคู่ผู้ที่จะเข้ารู้จักมักคุ้นกันหรือว่า เ, เป็นที่รักเคารพ ก, กันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งในอดีตชาติอดีตชาติเคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเคยเป็นญาติโกโหติกากันอย่างเท่หละอย่างที่ทพราหมณ์สองท่านเนี่ยและก็อีกอย่างหนึ่งก็เคย มีความคุ้นเค ย, เคยในปัจจุบันในปัจจุบันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอันนี้ก็มีความคุ้ น, คนเคยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการคุ้นเคยและโองค์การสนิทใจนะมีอยู่สองในพระพุทธเจ้าทัานตรัสอย่างนั้นนะอันนี้ก็ให้พวกเราฟังเอาไว้นะนี่แหละคือความเป็นมาในอดีตชาติพระพุทธองค์ไม่เคยปฏิเสธในในพระไตรปิฎกมีแต่บอกว่า เ, เราเกิดมาอย่างไง ตายไปยังไงและอดีตชาติเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันแต่ถ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจากนั้นพระองค์ก็ให้ความเมตตาสองตายายพราหมสองตายหาญย่ไปนัสถานที่ใดสองตายหญก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปอยู่นัตสถานที่ใดขอนิมนต์มาฉันในบ้านของพ่อแม่ทัานลูกนะพระองค์บอกว่าเออพราหมณตั้งมาเป็นพุทธะ จะมาฉันที่บ้านแห่งเดียวไม่ได้ต้องไปฉันสาธารณะเพราะพุท ธ, ธเป็นเป็นของทุกคนเพราะนั้นจะให้มาฉันที่บ้านของโยมไม่ได้หรอกอย่างโยมก็บอกเอาเถอะในเมื่อช่วงไหน ท, ที่องค์คนใดที่มนไปก็ไม่ว่าแต่วันไหนที่ว่างๆไม่มีใครนิมนต์ก็ขอนีมนมาฉันที่บ้านของของโยมพระองค์ก็เมตตานะ พอเมตตาพระองค์ก็ไปมาหาสูก็แสดงธรรมให้ฟังก็ได้สําเร็จพระอนาคามีนะสองตายายนะเอ่อพ่อเป็นเอ่อเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพระพุทธองค์เอ่อจากนั้นพ อ, พอต่อมาอีกเอ่อพระพุทธองค์สองตายายนะก็ได้มรณะลงไปพอมรณะลงไปพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปก่อนที่เขาจับมรณะลงไปลูกพระพุทธองค์ก็ได้ไปโปรดแสดงธรรมให้ฟัง ในวาระสุดท้ายสองตายายทนะ่านสำเร็จเป็นพระรหันต์นะได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เป็นโยมนะแต่เป็นโยมได้สําเร็จเป็นพระรหันตนะ์แปลกเหมือนกันนะเพราะบุญบารมีของท่านได้สร้างมาสั่งสมมาจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปไปในงานศพพอไปถวายงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพระสงฆ์ก็ได้ถามกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสองตายายเนี่ย เขาจะมีคติไปทางไหนระเจ้าข่า เ, เขาจะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมหรือไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนพระพุทธองค์บอกว่าเขาเป็นอเสขาแล้วสองตายายเป็นอาเสขะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาเป็นพระหรหันต์แล้วเขาไม่มีเขาไม่มีพบหน้าอีกแล้วเขาถึงนิพพานแล้วออ ส, อสองตายายเนี่ยพระพุทธองค์รับรองออแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าอธิธาตของ สองตายายนั้นเอาไปบรรจุไว้ที่ไหนแต่ท้าไม่ได้พูดถึงอธิธานในในในพระไตรปิฎกใ น, ในจุดนี้นะ เ, เพียงแต่บางถ้าว่าเป็นคนบางคนเขาบอกว่าเมื่อไปชมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาอธิธานไปไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้าสามัญชนทั้งหลายได้กราบได้ไหว่จากนั้นเขาจะได้ระลึกถึง ได้กลับพร ะ, พร ะ, พระาธาตุของพระอระหันต์แต่ในคราวนี้ท่าม่ได้ดตรัสไนะม่ได้ดพูดไม่ได้ดตรัสว่ากระดูกของตายายสองตายายนั้นท่านเอาไปไว้ที่ไหนเพียงแต่ว่าสองตายายนี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่พระองค์บอกว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี่น้อยเหลือเกินแตถ้าว่าคนที่มีชีวิตอยู่ก็หย่อนหย่อนร้อยปีทั้งนั้น ได้มรณะภาพได้มรณะลงไปในมรณะไปนะี่คือย่อนร้อยปีถ้าหากว่าผู้ใดเกินร้อยปีผู้นั้นก็ตายด้วยโรคชะลาทา น, นวานะไอ้ว่าเป็นผู้ชลาแล้วถ้าเกินร้อยปีไปว่าชลามากแล้วช่วยตนเองไม่ได้เพราะนั้นชีวิตนี้เป็นไม่ควรจะตั้งอยู่ในความประมาทให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนี่พระองค์ก็ แสดงธรรมปรดผู้ที่มาร่วมงานศพของสองตายายนะนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าตายแล้วในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าทำกรรมดีในปัจจุบันแล้วก็จบทำกรรมชั่วในปัจจุบันแล้วก็จบมันไม่จบนะถ้าทำกรรมดีกรรมดีก็จะจ ะ, จะตามสนองถ้าทากรรมชั่ว กรรมชั่วก็จะตามจิตตามใจตามสนองพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะเน่ยท่านทัไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีแล้วสิ่งที่มันไม่ดีจะตามสนองเราแต่ถ้าเราคิดดีทาดีพูดดีสร้างแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตใจ บุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ความผาสุขเจริญรุ่งเรืองโดยพ่อข้าศัพย์ไปอยู่ในสถานที่ใดอายุวรนนะสุขภาระลาบยศสรรเสริญสุขก็จะเกิดกับพวกเราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนดีนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่พวกเรามาสู่วัดวาศาสนาควรจะสมาทานศีนลนะหลวงพ่อว่านะ เพราะว่าเป็นศินสองเดือนนะวันนี้นะถ้าว่ารักษาศินห้าขอให้รักษาจินห้าด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ข่าพเจ้าจะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกาไม่โกหกไม่ดื่มสุราในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งโดยเด็ดขาดนะแล้วก็ผู้ที่รักษาอุโบโสถกส็ให้รักษาอุโบสถให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะ เมื่อรักษาศีลแล้วรักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์และอเนกสง์แห่งศีลทั้งหลายจะคุ้มครองพวกเราไปเกิดในภพภูมิได้ก็ตามมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุกเพราะอเนกสงส์ศีลอเนกสง์ทําคุ้มครองนะถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําคุณงามความดีแล้วก็ไม่เชื่ออีกต่างหากนั่นแหะความไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะแต่เชื่อจะเกิดประโยชน์กว่าเพราะอะไรเพราะเราเชื่อแล้วเราจะไปทําความชั่วนะ ถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยนะเออเหมือนกับตาบอดไม่เชื่อว่าเออมีหลุมมีบอ่อมีขวากมีน้ำมีมีเหวมีบอ่อน้ำเออตาบอดเออไม่เชื่อคนตาดีเออพร้อมที่จะตกในไปในสิ่งเอ่อที่ตัวเองไม่เชื่อนะั่นนะได้ง่ายเวันนี้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้เชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้จะดีกว่าเพราะปราฏิพรางหลายท่านเคยประพฤติธปฏิบัติมาแล้ว ท่านก็เชื่อมาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายไม่เชื่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราปฏิบัติ ด, ดูนะนั่งภาวนาดูทำจิตใจให้สงบดูถ้าว่าจิตใจสงบไปแล้วทำเต็มที่แล้วยังไม่รู้ผลอันนั้นจะค่อยว่ากาันอีกนะเราอาจจะทำไม่ถูกก็ได้ retired, ถ้าทำถูกแล้วหลวงพ่อมั่นใจมั่นใจในทคำคาสอนของพุท ธ, ธ เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านหมอกกายถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนามามากต่อมากพวกเราลกรูกหลานทั้งหลายก็ควรจะฟังฟังแล้วก็ศึกษาและก็ปฏิบัติตามด้วยนั่นแหะจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอาวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดสําหรับพวกคณะท า, า, า ญ, ญาติโยมโลกูกหลานต่อเนื่ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตเนน่อุทิศ ส, ส่วนกุศลนะ่